การทมต่ออีกเพื่อบอกย่ำลงไปเป็นการช่วยกันฐานะที่เป็นกันระยานามิตรตากันไปถึงมากถึงผลก็เพราะเหตุนี้มีโ อ, อกาสได้พบวกกันสาทยาย ท, ทำร่วมกัน แล้วก็มีการบอกกล่า ว, ลวเลาแจ้งเรื่องชีวิตของเรานี่สู่กันฟังชีวิตของเราก็เหมือนกันทุกชีวิตโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นนักปวดอยู่วัดวาลามีมันเพื่อ รับความชั่วทำความดีจริงๆไม่เข้าจินไม่เข้าทานยังหารฉันก็เพราะให้เขาให้เรามาทําความดีให้รับความชั่วมีที่อาศัยกครื่องห่มยะรักษาโรคคนอื่นหาให้เราอาศัยเลี้ยงชีวิต ด, ด้วยคนอื่นเขาเพื่อให้เรามารับความชั่วมาทำความดีมันจะคุ้มค่า ถารเล่าความชั่วทําความดีเรืยแล้วมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฝ่ายเพื่อที่ช่วยเราก็ได้ประโยชน์เขาสร้างคนดีให้เกิดขึ้นให้มากขึ้นเราก็ได้ประโยชน์จากที่เราใช้ชีวิตได้ความสะดวกเพื่อเล่าความชั่วเพื่อทําความดีดก็มีความดีเกิดขึ้น ถ้าเมื่อไรเวลาไหนถ้าหากว่ามีู<อ>้คนมาใช้ชีวิตแบบนี้ก็เหมือนการหว่านเพาะโอ๊กต้นไม้ลงดินฝังไว้ในดินต้นไม้ก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นชอบฉินของแผ่นดิ น, ดนหัวเปล่อกของมนก็ใหญ่ขึ้น มีคุณภาพมีค่ามีราคาเพิ่มขึ้นยืดเราถ้ารับควบชั่วได้ถ้าทำความดีได้ไดก็เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อคนหัวมากนั้นพทธเจ้าสั่งสาวกไปรประกาศพระศชาสชนาสมัยต้นๆหกสิบลูกมีปัญจฉีห้า เพื่อนของยศสาบคนรบส 45, ี่สิบห้าเกิดลไปเป็นหกสิบลูกได้่งประกาศศาสนาองค์ในตรัสว่าจรถาภิกเวจาริกังพระหูชนาหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานนกรรมปายะพิโศทาหลายจงไปเพื่อบอกเพื่อสอนอให้<อ>เกิดประโยชน์แก<อ>่คนหู่มากเ<อ>พื่อโลก แตความสงบป่มเย็นก็ว่าถึยงพวกเราพวกเราก็มาเนี่ยลาราชการมาบวชลาการลางานมาบวชเหมือนกับรับคำสั่งจากพระเจ้าเราต้องมาศึกษาชี้เราไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่ศึกษาต้องมาศึกษาให้ ถลุให้แยกให้แยกออกให้เป็นอันไหนที่เป็นสิ่งที่ใช่มาได้ทิ้งไปอันใดที่ใช่ได้ทิ้งไปนเราสาธยายพระสูตรพระเตกัลตักคาถาอพระเจ้าทั้งฟวงเคารพพระธรรม ได้เป็นมาแล้วเป็นอยู่ด้วยจะเป็นไปอีกข้างหน้าพระธรรมเคารพคือเคารพจังไงเบิกเราเมื่อระลึกได้ทั้งคําสั่งสอนของพระเจ้าอยู่จงทําความพะลบพระธรรมเหมือนกันกคงหลงไม่เป็นธรรมอย่าไปเคารพมันจงไม่หลงเป็นธรรมให้เคารพกวามไม่หลง ความโกรธไม่เป็นธรรมจะไปเคารพจะไปทําตามอย่ไปขดชิ่นอย่าไปขุดคุ้นคิดอย่ไปทํา <ำ S 1> ตามผมความโกรธความทุกข์ให้มาทําตามให้มาเคารพพระธรรมคือปฏิบัติตามธรรมถ้าเราต้องการความเจรเจิญผู้มีความหวงความจ เ, เจริญเจรตนจงเคารพพระธรรมอย่างนี้ มันก็มีอยู่ในตัวเรานี่ในนอกตัวเราก็มีนอกตัวเราก็มีเหมือนเราเดินทางเราเป็นคนเดินแต่ทางไม่มันมันไม่ใช่ดีเสมอไปขูกขาไม่ขวกไม่หนามจะต้องเดินในทางที่มันไม่มีหนามเลือกได้เช่นโลกไม่มีมรสชาต ไม่มีรสชาติเนินท่าสนเสริญสุขเสือมลาบเสือมยศเนินทุกข์อะไรต่างๆมีรสชาติมันครอบงาเราอยู่ก็เจะเจ็บตายไปเที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าเราไม่รู้มันก็จะเป็นทุกข์เป็นโทษเิน <c oughs> เวาเขาส่งเสริญ เ, เราเรามีความรู้สึกไงเราจะเป็นคนเช่นใดจิกจะเรียกว่าครบธรรมถ้าเราครบธรรมถ้าเขาส่งเส ร, เส ร, เสริญก็าทาดูทําความไม่รู้ไมข่ขี้ไม่ใช่ไปดีใจอะไรต่างๆไม่รู้ไมข่ขี้ถ้าเขานิทาเราเราจะเป็นคนอย่างไร จึงจะเรียกว่าครบรธรรมก็ต้องตั้งใจฟังด้วยใส่ใจเพื่อได้โคอมูลตามที่เขาบอกแต่ว่ามาไม่ต้องไปโกรธใส่ใจฟังนี่เรียกว่าครบรธรรมได้ประโยชน์ถ้าเขาไม่รู้ไม่เชียนอะไรแล้วบอกอธิบายไม่เข้าใจ ก็ตงพยายามตั้งใจอยู่เสมอเพื่อให้ใหเพื่อจะบอกความเท็จความจริงอย่างพยายามบอกเวลามันหล ง, ปงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเนี่ยพยายามอยู่ตรงนี้เวลามันโกรธเปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธเวลามันทุกข์เปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์เนี่ยพยายามบอกเน่ถ้าเขาจะไม่เข้าใจพยายามบอกโดยใส่ใจ นี่เราทําชีวิตแบบนี้จะเป็นคนแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้นเรียกว่ า, วาแม้จะมีขวกมีดามเราก็ก็ก็ไปให้ได้งั้ก็เราเดินทางา เ, หเหนื่อยเวลาก็ไปให้ได้ยังไม่ถึงถ้ายัางหลองอยู่ก็ต้องไปสู่ความไม่หลงให้ได้ถ้ายัางไม่ทุกข์อยู่ต้องไปสู่ความไม่ทุกข์ให้ได้ เนหวังลิบหลีกระเสียเนีว่าเขารบพระธรรมแล้วก็ต้องไปให้พน้นชีวิตของเราถึงจุดหมายปลทางเครความโปรดพน้นไม่ใช่อย่างอื่นพ้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ต้นเทนเธอเฉินเฉนโศกทุกข์ได้เสียพ่นไปแล้วได้ลุยมาแล้วผ่านมาแล้วอย่างโศกโศนไม่เที่ยง ก, ก็ผ่านไปแล้วความทุกข์ก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนก็ผ่านได้แล้วไม่ได้ข้องไม่ติด ายตะเวตะเจนเหนือการเกิดเจ็บเจบตายโน่นนี่คือชีวิตจริงจุดหมายปลายทางปลายทางเมื่อมันมีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปไหนมันชินสุดกันแล้วจบลงแล้วจนถึงพราวะว่าไม่มีไม่เป็นอะไรมันเป็นได้ชีวิตของเราเนี่ย อาใช้ไหวจับข้ลงพลังแต่ไหนก็ละได้ความชั่วเวลาไหนก็ทำได้ความดีไม่มีการไม่มีเวลาเย <c oughs> งะหูมันลบกวนเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ก็กลาก็กลาเลยถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้กินหะชีวิตก็มันค่อยสะดวก ก็เจะใช่ได้เท่าไหร่นะนะจึงขยันเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องบอกเนี่ อ, อื่นก็ใช่ไม่ได้แต่เรื่องนี้ยังใช่ได้อยู่นะนะมีปัญห า, าไหอ่ยิ่งกระจูนได้ไกลถ้ามีความครบพระธรรมแล้วถ้ามีความครบพรรม ไม่จริงได้กัดขังนลยกระโจนไปเวลามันหลงเทกระโจนไปอะไรอ่างนี้นะเวลามันทุกข์เทกระโจนไปเวลามันรักมันชังเทก็โจนไปยิ่งถลาได้ไก่อมหลงไปเราได้ไก่ออกไปอมทุกข์ไปเราได้พ้นไกออกไปก็โดดฉุดยอด โ ก, พกดพระธรรมมองกฎโจดพระธรรมอะไรไม่เป็นอะไรถึงนนเหตุมันก็อยู่ที่นี่ทุกสิ่งเกิดแต่เหตุดับที่เหตุพ้นที่เหตุมันหลงเป็นเหตุที่เราก็โจรได้เหมวันเราสะดุดตอกระโจรไปได้ตกตาไดเพรอก็โจรไปได้ นี่ศิลปะตอนนั่นชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่ปล่อยตัวงเจ็บปวดร่มลุกทุกคานมันจะเข้มแข็งฝึกตนอ น, นึกตนเตือนตอนสอนตนพิภาคษาตนไม่ไม่มีภั่พ้นคดีต่างโลกก็ดีทางธรรม ไปได้ชีวิตเราต้องมีที่หมายความตายไม่มีค่าอะไรจะไปกลัวจุดหมายชนะคือความหมายความตายไม่มีค่าชนะคือความหมายความตายไม่มีค่าเลยสําหรับเราเรา้าไม่หลงไม่หลงชนะความหมาย จุดหมายปลายทางความหลงมันไปค่าสําหรับเราความทุกข์ไม่มีค่าสําหรับเราต้องไมยทุกข์มีจุดหมายปลายทางเราก็มีหลงนั่นแหละงานเราถ้าหาว่ามีความหลงอยู่เป็นงานเราแล้วให้กระตือรุนห้อยมันข้างคาจืงเหยื่ย การงานอย่ายุ่งเหยิงสับสนให้เป็นเช่นเป็นส่วนแต่งการใช้ชีวิตของเราเป็นระเบียบมาใสยหลายอย่างระเบียบปในัยสีลมาช่วยเราเหมนกับธรรมนครนครแห่งธรรมไม่สีลเป็นรั่ว เป็นซำแพงได้แต่จะว่าไปมียานวิปัจนานยานเป็นป้อมปาการย่างลู่และได้ลู้ได้ทุกกรณีป้อมปาการเห็นหวี่ปัจนานยานวิคือลู้แจ้งไม่มืด วิคือวิเศษนำไปสู่ความวิเศษได้ยานคือปัญญาอย่างโลทะลุทลวงได้ไม่มีตรงไหนผิดประาภพางในชีวิตเราเกิดจากกาจากใจมีตาสติเป็นหน้ารอบเหมือนพระขีหนาศกก็มีสติเป็นวิดยัยหน้ารอบรอบ มันก็มีทวารอยู่ไวมากถ้าเป็ น, ปนทางนักขวาก็เคมีประตูอยู่หกประตูตาหูจมูกดิน้นกายใจรูปรถจินเสียงยภายโนอกายในสติสัมปชัญญะปัจิติปัฏฐานเป็นทวารบานอะารา้ังไหนก็รู้เอาไปมา ประตูที่สำคัญคือภาวะที่ใจที่มันจิตใจที่มันคิดไม่ใช่หัวใจที่มันเต้นมันอยู่นิ่งไม่เป็นสุกขสนกว่าอย่างอื่นเืิก็เป็นควากลางวันก็เป็ น, น, นเ ป, นปลวอันอื่นยังมีเวลาตาก็ยังหลับหลายชั่วโมง กายก็ยังนอนเฉยๆหลายชั่วมโมงหูก็ยังเงียบไปหลายชั่วโมงจ น, จนจนจิตใจมันยังคิดเวลานอนหาเรื่องมาคิดจนฝันนอนเดี๋ยวมันก็คิดโศกได้ทุกได้เป็นโศกเป็นทุกข์เพราะความคิดนอนไม่หลับเพราะความคิดน้ําตาไหลเพราะความคิดจิตมาได้เพราะความคิด เกิดความล้อความเกยดชังเพราะความคิดมันไม่รู้จะหลับากพักอะไรเราจึงอัน ง, ง่ายๆอัดูความคิดเนี่ยไม่ต้องลงแรงอะไรนอนอยู่ก็มันคิดก็รู้เวลานอนแั้นแหละหัดก่อนแค่หับก่อนที่จะนอนหัดอาจจะดูลมหายใจเข้าออกกลมไป กอรอบปลาู่แบบจู่ไม่ใช่ลู่แบบดูเหมือนเหมือนเหมือนป่าลบความเียญลู่แบบจู่หายไปเข้ารู้ออกรู้ปว่าจะอยู่เมื่อมันได้ที่อยู่มันไม่ได้ไปไหนมันตกล่องได้อะก็หลับง่าย ถ้ามมนมีที่อยู่มันก็กลิง้งมันกลิง้งให้มันอยู่ใช่มเราหายใจเป็นที่อยู่ใชเหมือนพระเจ้าสอนพระบินท บ, บาทฆ้าแม่น้ำแม่น้ำอะไรช่ไมไม่รู้อกมักแะพูดผิดนะ อันถ้าพูดประวัติพูดเจ้านะเช่นเมื่อวันนั่งพูดว่า อ, องค์พริมานบวชอยู่เชิดตะวันมันไม่ใช่อยู่ที่เวโรวันนะองล์รจชคือนะนั้นจับผิดจับถูกอย่าถือสาหาผิดหาถูกกับล้องตามันก็อยาคูดแต่มันจําไม่ได้ความจำมันขี้เกียจจำ บินทั้งบอดอยู่ฝั่งแม่น้ำเห็นเ ต, าต่าตัวนึ่งคานอยู่แม่น้ำฝั่งหากินอยู่ตอนเช้าพระพระสง่์บินทาบาทชนักป่าวิ่งออกมาจะกินเตา่าจะกัดเต่ากระแทกเต่ า, ากินไอเต่าก็เห็นชนักวิ่งมากัดมันก็หดอวัยวะเข้าในกระดอง หงาป่าก็จิ้นม่ได้เพียงแต่เอาปากไปจูเฉยๆจะกัดกระดองก็กัดไม่ได้ไม่เห็นอวัยวะส่วนหน่อยมันมีกระดองเป็นที่อยู่ของมันแม่มันมีขาสีขามีหัวมันก็มีกระดองอยู่พิสุจนทั้งหลายจงเอาเย่างเต่านี่มันมีกระดอง กระดองของพวกเธอกระดองของพวกเราคือกรรมฐานกลับเข้ามากลับการเครื่อนไหวถ้ามันออกไปถ้าให้มันออกไปลรวมานได้โอกาสปต่อให้ตาไหลไปต่อให้หูจะโกเล่นกายใจไหลไปไม่มีกระดองไปที่อยู่แล้วก็มานได้โอกาสเอาไปจับไป ถึงกับความรักวงช่างความดีใจเสียใจไปโน่นเจ็บปวดไปโน่นไม่อยู่ในกระ ด, ดองกับกมาษาเวลานั่งอยู่เวลาไปิดไปกรรมาลู้เฉกเนี่ยที่มือที่เคลื่อนไหวนี่กระ ด, ดองของเราถ้าไม่เคลื่อนไหวมือก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นกระ ด, ดองของเราให้มีกระ ด, ดองอยู่ก่อน อะไรก็มีที่อยู่นะกายของเราคิดของเราไม่ีที่อยู่ไม่ีบ้านไม่ีเรือนอะไรก็มีที่อยู่แม้แต่นกก็เอาใขนเอาใจปีกมันฝนตกมันก็ไม่เปียกมันมีผ้าหม่มมันมีเครื่องการฝนแต่เราต้องไม่บ้านนี่เป็นที่อยู่ของกาย เมื่อเราหัดเราจะเป็นปกติเป็นบ้านของกิจไม่เป็นอะไรมันอยู่แล้วปกติแล้วปกติเป็นบ้านของกิจอะไรที่มันสุกปนทุกข์ไม่ใช่ปกติมันโกรธมันโลภมันหลงมันรักมันชังมันผูู้แพร่แพร่ไม่ใช่ไม่ใช่ปกติเรียกว่ากิจอ า, าพัพไม่มีบ้านไม่ที่อาศัย แล้วก็เป็นจิตอาภัพเมื่อจิตอาภัพก็จนได้ง่ายโกรธก็จนความหลงก็จนความทุกข์ความอร่อยก็จนจนใจถ้ามีสติดีเกิดจนมันเป็นอริชัพแม่ก็ไม่จนคนหลงคือคนจนนาะคนโกรธคือคนจนคนทุกข์คือคนจนเนาะ ถ้าไม่จนไม่หลงไม่โกรธไม่ทุกข์เพราะมีทับภายในใช่ได้ยิ่งกว่ารับภายนอกสติปัญญาปัญญานะเถอะอ๋อ ปัญญาประเสริฐกุศลปัญญาวัฒเนรนยโปัญญาวัฒเนนันชยโปัญญาเยวประเสริฐกุศคือสติปัญญานี่เ<ม>ช่นความโกรธทรช่วยไม่ได้ต้องมีสติปัญญาแก้ได้มันทุกข์ ทุกจอน้ำตาไหลเอาเงินไว้มันก็ยังไม่หยุดหายมันไม่หยุดร้องให้นางทีมันทุกข์เพราะจากจะฆ่าจักจะตีกันเคยไ ป, ไปอบรมสำเนินภาคล้นภาคใต้เดิเนทะเลาะ ก, กันเน้นตรงหนังก็จัดตีให้ได้จะต่อยมันให้ได้ แล้วกให้องให้รูปที่เขาโกรธให้มาขออภัยเขาอภัยขอโทษมันก็ไม่ยอมถ้ามาไปต่อยมันจะไม่หายโกรธก็ต้องครับจับมือไปต่อยกันมันไม่ออกให้มันไปต่อยกันมันจึงหายโกรธไม่จะทําขนาดนั้นเพราะมันจนไม่มีอาไม่มีอะไรไปจ้างมันได้มันจะต้องทําตามมัน ถ้ามันรักก็ทําตามความรักถ้ามันโกรธก็ทําตามความโกรธถูกความรักหลอกถูกความโกรธหลอกแคกก่นั้นชีวิตเราถูกหลอกกุฏิชนคือถูกหลอกกุฏิชนคนบ้าคนป่วยรักจ่อยหายแล้วมันก็หายบ้าหายป่วยเป็นคนดีไม่มีพิษมีภัย จึงอยากจะบอกอย่างนี้ยไม่ใช่สอนนะการบอกอย่างนี้ไม่ใช่บอกให้ได้ความรู้นะเอาไปทำเราหัดให้เป็นทําให้เป็นเรีว่ากรรมฐานส <c oughs> อนตัวเองให้เป็นเตือนตัวเองให้เป็ น, ปนแก้ตัวเองให้เป็ น, ปนให้มันหลุดออกมาอย่ามันค้าง มันจบได้ความหลงมันจบได้ความทุกข์มันจบได้ความโกรธมันจบได้ไม่ใช่หลงจนตายไม่ใช่โกรธจนตายไม่ใช่ทุกข์จนตายแล้วมันจบแล้วนี่จะเป็นไงชีวิตของสัตว์โลกของมนุษย์ทั้งหลายนั่นก็จะเป็นคนคนเดียวกันอาศัยกันได้เพ่งบาอาศัยกันได้ ออกจากเราพังพาอาศัยได้เรายังมีสิ่งอื่นวัตถุอื่นอาศัยได้จากชีวิตของเราเนี่เพียงคนคนเดียวนี่มีอะไรที่มันอาศัยเราเยอะแยะไปหมดเลยในโลกเนี่ยแต่เราไม่ดีมันก็วิตชัมลายเดือดร้นไปทั่วทั่วไปเราไม่เคยตัดตนาา้นไม้ชักโตนเราก็เดือดล้น คนอื่นเขาตัดโ <c oughs> นมาเคยล่าสัตว์ตัดชิวต่าลายสัตว์อื่นก็หมดก็มีฝนกระทบอย่างนกเนี่ยเาล่าจนไม่มีนหลแงก็เพิ่มขึ้นจากไปอินเดียเนี่ยประเทศอินเดียศรีลังกาในปาน เขาไม่ล่าสัตว์เขาไม่เขาล่านกเต็มไปหมดเลยตามสวนตามวัลลาวะลากลาไม้อะไรต่างๆมีแต่นกผงนกอ๋อจับตัวหนอนนกปังอย่างเว้นหมอผ่าตัดเล้วตายังขอบคุณกับลอกเลยอยู่วัดโขาทองมี มีมีด้วงขึ้นไปเจาะจนทันสาลาที่ที่ขวยมันปิวลงมาใส่จะ ต, ต้องกวดคิดว่าจะได้เปลี่ยนมันไม่เนื้ออ่อนไม่ไม่เดชว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วจนทันตัวนี้ที่ไหนได้ก็ลอกไปผ่าตัดเลย กัดเอาตัวร่วงออกมาเป็นอาหารเลยหายไปเลยโลกของไม้ที่ด่วงเจาะจันทรันประมาณสองสามตัวนะไม่มีแล้วหายไปแล้วมันก็มีประโยชน์นกก็มีประโยชน์ต้นไม้ในวัดป่าสกุโตประมาณสามสิบเปอร์เซห้าสิบเปอร์ซต่าำไปนกปูก คนปลูกไปได้อย่างตนน้นในโคดเนี่ยเดี๋ยวโอขอทองนะ่ต้นใี่ใหญ่นะนกปลูกนะนกเพาะให้มันมีลูกนกไปกินลูกมามาถ่ายมันก็ไม่มันก็ขึ้นอยู่กับคางคกของต้นไม้นแล้วก็ไปเอามาปลูกลองเอามาเพาะดูหล่นลงมาเป็น หลอยหมื่นร้อยเสียรเมร็ดออกมาเพาะก็ไม่เกิดต้องผ่านกระเพาะนกคินเสียก่อนไปไท่ายออกเสียก่อนมันจึงมาเกิดขึ้นมาได้จากต้นที่หน้ากติหลงตาอยู่กับอาจารย์ทุม่มต้นใส่ต้นนั้นที่หน้าทางที่จออกแต่ก่อนมันเป็นคางคกต้นตับเต่านะั่นต้นตับเต่าไมีโพงอยู่นั่น ันเกิดอยู่ต้นตับเต่า้างโคกกิ่งข้างบนนะมันเป็นเบีย้ยเล็กๆแล้วก็กย่างลากออกมาเดี๋ยวนี้หุ้มต้นตับเต่าเหลือแต่ต้นใสระววนเคยพูดเรื่องต้นตับเต่าให้ฟังสมัยสามสิบปีก่อนมีกะติแถวกะติจานวดกนะักะติว่างอย่างนะ หนูไปทำรังอยู่นั่นไม่มีใครอยู่แล้วก็งูไปกินหนูงูคาบหนูตกลงมากระแตอยู่ต้นตับเต่าเอนหนูมันลองจู่ชู่จู่จจู่กระแตวิ่งออกไปต้นตับเต่าไปไปไปช่วยหนูกัดขางู กระโดดกัดถ um, ังงูก็ตัวใหญ่งูยังไม่วางหนูกระแตก็กัดถังอยู่ละกระโดดกัดถังล่งแจ๊กแ๊กแจ๊กแจ๊ก๊๊กแกัดไม่ลว่ที่เท่าไหร่งูได้วางหนูมาช่กัแต่ตัวน้อยๆเดี๋ยวยังมีลูกหลานอาจจะอยู่แต่ละเวลาลงจาบให้อาหารมันมีถ้ากระแตมากินกรลอกก็มากินข้าว คิดเห็นคุณคุของมันเห็นคุณค่าของมันมันช่วยกันเป็นจนงูใหญ่วางหนูมาสู้กับแต่ตัวเดีด้วยก็แต่ก็บังคับให้มันโคตอยู่เรื่อยเวลาใดก็กัดถังไว้หนูก็พ้นไปได้นี่ก็บัดทับใจมากนะนี่ก็แต่มันช่วยกันเป็นคนเนานี่ยหัวเมียกันก็ยังช่วยกันเป็นทับให้กันโกรธทาให้กันทุกข์ เวลาทุกเราไปช่วยกันแล้วคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งก็โกรธตามไปเอช่นจะีช่วยกันเวลาโกรธคนหนึ่งหลงก็คนหนึ่งก็ทำให้หลงไปนาคำมาดุมาด่าให้กันหลงให้กันโกรธเพิ่มขึ้นไม่ใช่ลูกกับเตะไปละน่นก็เป็นชีวิตของเรานะมันมีค่าจริงๆนะ ถ้าฝึกตนสอนตนได้ดีแล้วไปเถอะจะเป็นพ่อคนแม่คนจะเป็นผัวใครเมียใครเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนใครดีทั้งนั้นถ้าไม่มีฝีมือดังนี้อย่าไปเพราะหนุ่มจะจึกไปก็ได้ต้องเฉยนะแต่ถ้า <laughs> มีแล้วก็ต้อง <laughs> มีปะถงาแน่นอน ตัวเจ้าวอะคนมีลูกก็คิดแบบคนไม่ลูกคนไม่ผัวเมียก็คิดแบบคนไม่ผัวไม่เมียทำไม่ทรัพย์เสียงเงินทองก็คิดแบบคนไม่ทรัพย์เสียงเงินทองคนจนก็คิดแบบคนจนสู้ไม่มีอะไรไม่ได้จริงว่าผมบัจรรย์บริจุทธิ์เพื่อจะช่วยคนถ้ามีอย่างนั้นมัช่วยคนไม่ได้ได้เท่าไหร่ถ้าเป็นนักปวดแบบเราโอ้ก็ช่วยคนได้เยอะนะได้มากทีเดียวเลย เหมือนนกไปแดนก็ไปได้ไม่ต้องมีเบยียงอะไรพลุงพลงังกีวงเป็นปีกบาทเป็นปีกบินไปไหนมาไหนได้สบายเลยสะดวกทำความดีช่วยอะไรต่างๆได้สะดวกผลงานนะเกิดจากนักบวชนี่ไม่ใช่น้อยนะ ไม่ใช่สมบัติของเราเลยทำอะไรเป็นสมบัติของโลกไปเลยมีใครเท่าไหร่ตากที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาจากเงินห้านิ้วสิบนิ้วของเราเนะ่เป็นสมบัติของแผ่นดินเอาไว้ให้คนใช้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่งอกให้ลูกให้หลานได้มีใครเสียฉลาดรื่อนไม่มาก เราจึงขอจังสให้เป็นนักปวดแม่หลวงตาเกิดฉีบชาติร้อชาติขอเป็นนักปวดถูกที่สุดเราจึงขอจังสุดในพวกเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วแล้วก็ก็แล้วก็มีทุละมาแล้วภละมาแล้วนั่นแหละดีที่สุด เพื่อจะไปเป็นคนดีจะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบรุ่มเย็นไปเป็นผัวเป็นแม่เป็นพ่อมแม่รับผิดชอบตำมานตำการอย่าไปทำความชั่วให้ไปรัความชั่วไม่ไปทำความดีที่ไหนก็ได้ไม่มีการไม่เวลาความดีที่เกิดจากเราเนี่ยมีเยอะแยะแเป็นใครก็ได้ ถ้าเรามีความดีแล้วเราจะมาฝึกตนสอนตนแบบนี้เติมต้ก้าวแรกจับหลักสตรให้ได้มีกายเห็นกายให้ครบทุวนอย่าให้กายมันหลอกเห็นเวทนาเป็นสุขเประทุกข์ใมันหลอกตา้เห็นจิตที่มันหมกมุ่งคนคิดใจมันหลอกได้เห็นธรร ม, ม, ม ท, ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจ ก็อยากให้มันหลอกได้ผ่านที่ได้ต่านสี่ด่านไม่ผ่านให้ได้ถ้าผ่านสี่ด่านได้ก็ไปได้อะไรก็ย่งง่ายง่ไปเหมั้งแต่พรุ่งวันนี้ถึงเขาสะดวกมันไปมันไปมันไปนไปเห็นรูปนามเห็นรูปทุกเห็นเนิบทุกเห็นรูปทำนามทำเห็นรูปโลกนามโลกเห็นรูปสมมติเห็นนามสมุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุอาการต่าง ตอนเห็นสมมติเห็นมัญหยาิเห็นปรมัติสัตวกที่สุดลอยของตัวที่สุดลอยเช่งมแข็งที่สุดลอยมองอะไรมันไม่มีข้างคาเลยพอเห็นสมมติบัญญัาิเห็นปรมตณ์สัจจะบัตถะวาการต่างๆเอื้อมหลงไม่เก่งมาจากความไม่หลงเก่งกว่า มันมีคําตอบไปตัวมาพ่อมันเสร็จดูอะไรมันเ็จไปมันเสร็จไปเสร็จไปเสร็จไปอันที่เกิดกับกายกระเจเรานี่เสร็จไปเสร็จไปเสร็จไปเพื่อให้เสร็จไปไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการบ้านอะไรเลยกรมไม่เที่ยงก็จบไปกองทุกข์ก็จบไปกรมไม่ตัวใช่ตัวตนก็จบไป มันไม่เที่ยงก็ถูกแล้วอันคงไม่เที่ยงเป็นอย่างนั้นจบไปแล้วแต่จะให้มันเที่ยงมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เที่ยงไม่เป็นเป็นอย่างนั้นเป็นจัตธรรมของเขาจะให้เป็นความเที่ยงไม่ได้จะไปบังคับไม่ได้เป็นที่ทิ้งของลถของโลกดอยทุกรสทุกชาติทิ้งลงไกับความไม่เที่ยงได้ ดวตาเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนถังขยะโลกอดความไม่เที่ยงสังไตรักเนี่ยนี่ที่ทิ้งแล้ววะน่ยสะอาดแล้วแต่ก่อนพลุงพลังไปชีวิตสะอาดก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นไตรลักเนี่ยไปชีวิตสะอาดโดยสะอาดอุดจดจอกเครื่องสมองเพราะประมาจา่ย มันเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นจะให้มันไม่ทุกข์ไม่ได้อันชื่อว่าความทุกข์นะมันเป็นอย่างนั้นของมันเองรูปทำนามทำมันตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นอย่างนั้นหมดเลย แก่กล้ามากทลาได้มากก็โดดได้ไกลอันเมื่อเห็นอารมณ์ในเข้าเดียวมันสะดวกมีแต่จริงที่ช่วยเราไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยเลยมาเถอะอะไรจะเกิดขึ้นก็มาด้วย <c oughs> เหมือนภ <c oughs> ูเขาศิลาแทงทึกก็จะเทือนเขลมฉันได้ อู้ฝึกตนนีแล้วไม่จะเทือนเพราะอะไรเพราะโลกของรถไม่แถ่นี้เตียวเลยเห็นวัตถุเห็นอาการที่มันมีในคอในรูปในนามเนี่ยหรือว่าจะเข้าประตูทาเลยก็ได้ตรงแนมันสะดวกที่สุดเลยถึงข้าวสะดวกก็สะดวกนะถึงข้าวคุกะก็คุกข่าเมือกัเราเดินทางกันนะ ถ้างั้นขึ้นเครื่องบินมันก็สะดวกนะคนขับเครื่องบินก็สะดวกคนนั่งก็สะดวกมันไปใช่โดยเฉพาะตอนดัค่ำเน่ยเราเดินทางไปทิศตะวันตกเนี่ยตะวันมันตกแต่เครื่องบินบินสู่ทิศตะวันตก ตะวันมันกำลังจะตกวิ่งไปให้มันทันตะวันมันก็ไม่ทันตะวั น, วนแต่มันช้ามากเราวิ่งไปวิ่งไปอยายให้มันทันเห็นตะวันอยู่ข้างหน้าเราเรามองไปเราเครื่องบินก็วิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งสนุกวิ่งเครื่องบินกระเด็นไปนะเอมาสะดวกกันนะอันขับเครื่องบินนี่คิดสนุกสนานไปพร้อมกัน ไม่เมีอนลายของกันหรอแต่บางทีก็มีวินบางบางเที่ยวก็บินสูงกว่าเราขางวีบางเที่ยวก็ บ, บ, บ, ก บ, บินต่ำกว่าเรามันคนลราทางกันเขาก็ไม่ทางนะสังเกต ด, ดูบางทีเขาก็เห็วกว่าเราบางทีก็กากช้าวกว่าเรามันก็สะดวกการปฏิบัิธรรมก็ไม่โอกาสสะดวกเหมือนกันมันพาเราไปทางมันพาไป ความถูกมันปพาไปผ่านจะความไม่ถูกมันทำให้เราผ่านแบบตรงไหนมันไม่ถูกมันผ่านได้สะดวกตรงไหนที่มันจกมันทุกข์มันผ่านได้สะดวกนี่คือป่ารียมากไปเลยโผล่มาหมดเลยไปหมดเอยเอืงจนไหมายปลายทางเลยทีเดียวมันไม่ใช่มาไม่ใช่เรานิทานนะไม่ใช่เรานิยายเรื่องของคนนี่ย เรือ่องรูปเรื่องนามเรื่งสมมติเรื่องมนุษติปัจจันอการต่างๆมีมในรูปไในนามเป็นผู้พระไตรปิฎกเหลือทำไมจบเลยจะเป็นยังไงเจขี้ยดเห็นคนทุกข์เห็นคนหลงโอ๊ยมันน่าจะหลงมันน่าจะโกรธมันน่าจะทุกข์เพระมันไม่ทุกข์ก็ได้มันไม่หลงก็ได้มันไม่โกรธก็ได้ไม่ต้องมีปัญหาใดก็ได้อันเกิดจะกายจะใจมีแต่ปัญญาไปเลย นี่จะเป็นอย่างไรชีวิตเรานวะย่งมเคารพพระธรรมแบบนี้เถอะเราผู้หวังความเจริญเจริตนจงเคารพพระธรรมทำย่อมศึกษาผู้พุพทธรรมอยู่เป็นเน็ตทำย่อมบ่ายพึพ่งพระธรรมย่อมไม่ตกไปเลยที่ชั่วเด็ดขาดจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอยู่เสมอเยิตของผู้ปฏิบัติย่อมผ่องใสอยู่เสมอ ต่มีชีวิตที่อยู่เหลืออยู่นี่เพื่อการนี่แหละไม่ได้เพื่ออะไรหรอกอันอื่นเอาไว้ให้คนอื่นถามตแต่ขอใช้วเวลานี้เท่านี้แหละตอนเช้าขอพูดไดกตอนเย็นขอพูดไม่ออกอดฉาฟังเอาเสียงเป็ดเสีย <laughs> งหัวกวนหัวอ้อหัวกวนเจอเวลาเรากลับฟอมกันนะ